เจ้าพระองค์ใดผู้เปรียบประดุษพระอาทิตย์ทรงมีพระสัพท์ธรรมเป็นดั่งพวงแห่งรัศมีทรงกำจัดความมืดคือโมหะอันใหญ่หลวงโดยประการทั้งปวงได้แล้วทรงยังมู่เวนยชนผู้เปรียบดังดอกปทุมชาติให้รู้ตามทรงเป็นดั่งดวงตะวันที่อุทยขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นด้วยเสียรกล้า ศัพท์ธรรมใดที่กระทำความสว่างสวัยให้ปรากฏแก่ชาวโลกรุ่งเรืองอยู่ด้วยรัศมีคือพระคุณนานาประการกพรเจ้าขอนอบน้อมพระศัพท์ธรรมอันลึกซึ้งที่พระผู้มีพระภาคทุกๆพระองค์ทรงบูชาแล้วด้วยเสียงเกล้า พระอริยสาวกหมู่ใดผู้เปรียบประดุจดอกบัวอันบริสุทธิ์เบิกบานแล้วผู้ตั้งมั่นอยู่ในสีราทิคุณเป็นต้นมีเกียรติอนุดงามปรากฏด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสง์หมู่นั้นด้วยเสียงเกล้า ข้าพเจ้ากระทำการเคารพนบไก้แด่พระรัตนตรยัยอันเป็นที่จะให้เกิดกองบุญมีคุณอันวิเศษขอพระเดชเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นจงช่วยกำจัดอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะบังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ฟังและแก่ข้าพเจ้าผู้ที่จะกล่าวพร น, นาถึงบทแห่งพระสัทธรรมต่อไปได้เถิน ความเจริญในธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านรายการอภิธรรมพาทีที่จะได้บรรยายในเนื้อหาต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวถึงพระอริยสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ แต่งตั้งให้เป็นเอตัคคะคือเป็นผู้เลิศในด้านต่างๆคาว่าเอตัคคะซึ่งแปลว่าเลิศแปลว่ายอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งนั้นเรามักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆอย่างเช่นพระสารีบุตรเทระเป็นเอตัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในฐานะที่เป็นผู้มีปัญญามาก พระมคคารนเป็นเอตะทะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในฐานะที่เป็นผู้มีฤทธิม์มากแต่ก็ไม่ใคร่ที่จะมีการอธิบายถึงเหตุอธิบายถึงความเป็นมาของการแต่งตั้งการสถาปนาภิกษุไว้ในตำแหน่งเอตตะทะคะว่าแท้จริงแล้ว ตำแหน่งเอตาทัคะที่เป็นเลิศเป็นภิกษุผู้ยอดเยี่ยมในด้านใดด้านหนึ่งนั้นแท้จริงแล้วเวลาที่พระพุทธองค์จะสถาปนาภิกษุรูปใดให้เป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆนั้นก็ย่อมมีที่มาที่ไปซึ่งก่อนที่จะได้บรรยายเกี่ยวกับเอตาทัคะเกี่ยวกับภิกษุผู้เป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งนั้น ก็จะได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสถาปนานั้นซะก่อนมีเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในคำภีมโนระถาปูรณีอัตตกถาแห่งอังคุตรณนิกายเอกนิบาตถ้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับมหมามกะก็เล่มที่ยี่สิบสองหน้าที่สองยสิถึงสองสาสองพระอัตตกถาจารย์ได้อธิบาย เกี่ยวกับความเป็นมาของเอตทัทธะไป ว, ว่าคำว่าอักขะในที่นี้ย่อมใช้ในความหมายว่าประเสริฐสุดยอดเยี่ยมที่สุดหรือเลิศที่สุดเป็นความจริงอยู่ว่าพระเถระเหล่านั้นที่ได้รับการสถาปนาจากพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นอักคะเพราะเป็นที่สุด เป็นพิสุทิ์ในด้านใดด้านหนึ่งบ้างเป็นผู้ประเสริฐสุดบ้างในตําแหน่งอันประเสริฐสุดเลิศที่สุดของตนของตนเพราะฉะนั้นเนื้อความในบทว่าเอตัทัคคานี้ที่ชื่อว่าเอตัทัคคาก็เพราะมีเนื้อความว่าบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลพี่เป็นเอกเป็นบุคคลที่เป็นที่สุดเป็นบุคคลที่ประเสริฐสุด เป็นบุคคลที่เลิ่ที่สุดในแต่ละฐานะนั้นๆคือเลิ่ที่สุดในตำแหน่งนั้นๆที่พระพุทธองค์ได้สถาปนาได้แต่งตั้งไว้ธรรมดาการแต่งตั้งพระภิกษุสาวกไว้ในตำแหน่งเอตัทัคคะนี้ย่อมมีขึ้นโดยอาศัยเหตุสี่ประการขออนุญาตถึงพูดถึงความเป็นมาว่า การที่จะตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นเอตากัคะเป็นผู้เลิศด้านใดด้านหนึ่งนั้นก็ต้องอาศัยเหตุความเป็นมาสี่ประการนี้แหละพระพุทธองค์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆแต่ตั้งเพราะอาศัยเหตุสี่ประการเหล่านี้เหตุสประการที่ว่านี้ก็คือประการที่หนึ่งอัตถุ ป, ปติโตอาศัยเหตุตามเรื่องที่เกิดขึ้น ประการที่สองอาคมมนตโตอาศัยการมากลนประการที่สามกินนะวะสิโตอาศัยความเป็นผู้ชํานาญช่ำชองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและประการที่สพุนาติเลกโตโดยอาศัยความเป็นบุคคลผู้ยิ่งด้วยคุณ ในบรรดาเหตุส <ai> ี่ประการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นพระเถระบางรูปย่อมได้ตําแหน่งเอตัทคะโดยอาศัยเหตุเพียงอย่างเดียวบางรูปก็ได้โดยอาศัยเหตุสองอย่างบางรูปก็ได้โดยอาศัยเหตุสามอย่างบางรูปก็ได้โดยอาศัยเหตุทั้งสี่อย่างทั้งหมดโดยทีเดียวก็มีสําหรับพระอริยสาวก ที่ได้การสถาปนาเป็นเอตัทคะโดยอาศัยเหตุสีอย่างนั้นก็มีอย่างเช่นภาษารีบุตรเถระเป็นต้นจิงอยู่ภาษารีบุตรเถระนั้นได้ตําแหน่งเอตัทคะเพราะเป็นผู้มีปัญญามากก็การที่ท่านได้รับการสถาปนายกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากนั้นก็โดยอาศัย เหตุที่เกิดขึ้นบ้างอาศัยเหตุการณ์ที่มาก่อนบ้างอาศัยความเป็นผู้ช่ำชองชำนานบ้างอาศัยความเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณบ้างซึ่งภาษาดีบทได้อาศัยเหตุสี่ประการนี้เลยจึงได้รับการสถาปนาว่าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาสี่ประการอย่างไรนั้นก็จะได้ขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างประกอบ ในแต่รัปรการแต่รัปรการระการแรกอัดทุ ป, ปัตติโตอาศัยเหตุตามเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอาศัยเหตุตามที่เกิดขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้สถาปนาให้พระสารีบุตรเทระเป็นผู้ที่เลิศ ก, กว่าภิกษุอื่นๆด้วยความที่เป็นผู้มีปัญญามากนั้นก็มีเนื้อความย่อๆว่า ในสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีพระพุทธองค์ได้แสดงยมกปฏิหารหรือการแสดงปฏิหารที่เป็นคู่คู่อย่างเช่นอธิษฐานให้ไปพุ่งออกจากตาข้างซ้ายน้ำพุ่งออกจากตาข้างขวา ไฟพุ่งออกจากหูข้างซ้ายน้ำพุ่งออกจากหูข้างขวาซึ่งจริงๆแล้วการอธิษฐานให้ไฟพุ่งออกมานั้นก็ต้องเป็นการเข้าเตโชกสินถ้าเป็นการอธิษฐานให้น้ําพุ่งออกมานั้นก็ต้องเป็นการเข้าอาโปกสินแต่ด้วยความที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่เป็นเลิศ เป็นผู้ที่มีความเป็นอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์แสดงยมกะปฏิหารหรือยมกปฏิหารนั้นใครๆที่ดูอยู่นั้นเป็นดังราวกับว่าน้ําและไฟที่ป่วยพุ่งออกมานั้นป่วยพุ่งออกมาพร้อมๆกันนั่นก็เพราะเป็นความช่ำชองํานานของพระผู้มีพระภาคนั่นเอง พระองค์ทรงแสดงยมกะหรือยมกปฏิหารเพื่อกราบพวกเดรธีณโคนต้นคันธามะพลึกก็คือมะม่วงนะมะม่วงหอมเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงยมกปฏิหารแล้วกำลาพวกเดรธีเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็มีพระดําริว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายเมื่อทรงกระทํายมกปฏิหารแล้ว จะเข้าจำพรรษาณที่ไหนหนอเมื่อทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงทรงก้าวพระบาทสองก้าวในอากาศพอก้าวที่สามนั้นก็เสด็จประทับถึงณดาวดึงท้าวสกกะเทวราชได้ทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาค ท้าสกตะจึงลุกขึ้นจากบรรดุกรรมพลศีลาอาจอันเป็นที่ประทับแล้วเสด็จไปต้อนรับพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่เทพยพยดาทั้งหลายพระพุทธองค์อันมีเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายเวทล้อมแล้วงจึงเสด็จประทับนั่งบนบรนดุกรรมพลศีลาอาจที่มีความยาวถึงหกสิโยต์ปกติหนึ่งโยต์ก็เท่ากับสิบหกกิโลเมตร ย้ำเดิมแต่พระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วเทวดาองค์อื่นๆก็ไม่สามารถจะวางแม้แต่มือลงณพระแทน่นนี้ได้ที่ไม่สามารถวางได้ก็ด้วยเดชเดชานุภาพแห่งพระพุทธองค์นั่นเองแม้ว่าบรรดกัมพลนั้นจะกว้างจะยาวแต่เทวดาอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะวางมือของตนลงบนพระทท่นนี้ได้ฝ่ายพระสัดานั้น เมื่อประทับนั่งณที่นั่นแล้วทรงทราบว่าระจิตของถวยเทพเหล่านั้นแล้วจึงประทับนั่งจนลน้นบรรดุ ก, กรรมพลศีล า, าอาจเลยทีเดียวก็คือทรงอธิษฐานนะแม้จะบรรดุกำพลจะมีความยาวถึงหกสิบโยชน์พระองค์ก็อธิษฐานประทับนั่งจนลน้นบรรดุ ก, กรรมพลศีลาอาจนั่นเลย เป็นเหมือนกับท่านผู้ทรงท่าบังสกุลผืนใจนั่งจนล้นต่างอนนันนะ้อยนณฉะนั้นแต่ใครๆก็ไม่ควรที่จะกําหนดว่าการที่พระศาสดาซึ่งเป็นมนุษย์ศตรีระร่างกายก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะักพระศาสดาเมื่อประทับนั่งอย่างนั้นทรงเนรมิตพระศีระของพระองค์ให้ใหญ่หรือทรงทําบรรดุกําพลศีลาอาบนั้นให้เล็กลง ก็คือบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่บรรดุกรรมพลแท่นนั้นใหญ่ยาวถึงหกสิบโยชน์เนี่ยพระพุทธองค์เทรามิตพัสรีระาของพระองค์ให้ใหญ่ขึ้นหรือทรงกระทำบรรดุกรรมพลศีลาอาสนั้นให้เล็กลงเรื่องนี้ใครๆก็ไม่ควรคิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธวิสัยพุทธวิสัยนั้นเป็นอจิไต ใครใก็ไม่ควรคิดเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอย่างนี้แล้วก็ได้กระทำสันดุสิทธิ์เทพบุตรผู้เป็นพุทธมารดาให้เป็นกายสัก ข, ขีพยานแล้วจึงแสดงอภิธรรมเจ็ดคำทีมีอาธิว่ากุสลาธรร ม, มาธรรมที่เป็นกุศลอกุสลาธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลอภิยากตาธรรมา ธรรมที่เป็นอภิยากระตะก็คือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลพระพุทธองค์ได้แสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีโปรดถวยเทพในหมื่นจักรวาลโดยมีพุทธมารดาเป็นประธานในการแสดงคราวนั้นจึงเป็นที่มานะครับว่าเวลาที่มีงานศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศพของผู้ ที่มีพระคุณผู้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ชาวไทยเราจึงนิยมสวดพระพิธรรมเพราะถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณเหมือนกับที่พระพุทธองค์แสดงพระพิธรรมเจ็ดคำทีโปรดพุทธมารดาเป็นการทดแทนบุญคุณย่ํานั้นในบริเวณที่พระพุทธองค์ทรงกระทมยมกปฏิหาร น, นั้นเหล่าบริษัททั้งหลายที่มีประมาณสิบสองย หมายถึงพื้นที่ที่คนเหล่านั้นอาศัยอยู่เนี่ยชนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นประมาณสิบสองโยชเมื่อพระพุทธองค์ทำยมกปฏิหารกำลาพวกเตี้ยถีเสร็จเรียบร้อยแล้วชนที่พากันมาเฝ้าในคราวครั้งนั้นได้เห็นพระพุทธองค์ก้าวขึ้นไปสู่ดาวดึงชนเหล่านั้นก็ต่างพากันพักเลม อยู่บริเวณนั้นเพื่อรอการกลับมาของพระพุทธองค์ในบรรดาชนเหล่านั้นบางท่านก็ได้เข้าไปหาพระอนุรุทธเถระแล้วถามพระอนุรุทธเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระพุทธองค์ประทับอยู่ณที่ไหนพระอนุรุทธเถระตอบว่าพระทศพล เข้าจำพรรษาณบรรดุกรรมพลศีลาอาจในภพแห่งดาวดึงเริ่มแสดงอภิธรรมบิดกเหล่าพุทธบริษัทเหล่านั้นจึงถามพระอนุรุทธะต่อไปว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเมื่อไม่เห็นพระสัสดาก็จะไม่กลับไปขอท่านจงบอกถึงการเวลาว่าเมื่อใดที่พระบรมศาสดาจะเสด็จกลับลงมา พระอนุรุธทธะเถระกล่าวตอบว่าพวกท่านจงไว้เป็นหน้าที่แก่พระมหาโมคาราณะเถระเถิดเมื่อท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะนําข่าวมาบอกแก่ท่านเหล่าบริษัททั้งหลายเหล่าบริษัทเมื่อได้ฟังพระอนุรุทธเถระตอบว่าการที่จะรู้เวลาว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่นั้น ควรที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระโมกคาราณะให้พระโมกคาราณะเป็นผู้แจ้งข่าวนี้เหล่าพุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อได้ฟังจึงถามว่าพระอนุรุทธะเถระไม่มีกำลังไม่มีความสามารถในการทําอย่างนั้นหรือก็คือถามว่าเอ๊ะพระอนุรุทธะเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเฝ้าพระสัททดาแล้วทูลถามด้วยตนเองหรือ พระนรุธะเถระจึงกล่าวตอบว่ากำลังความสามารถของเรามีอยู่แต่ขอบริษัททั้งหลายจงดูคุณวิเศษแห่งพระโมคคาณะเถาะการที่พระนรุธะเถระกล่าวแก่พุทธบริษัทอย่างนี้นั้นก็เป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องพระโมคคาณะเถระ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระโมคคาณะเถระนั้นเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ได้สถาปนาแต่งตั้งไว้ในที่นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเป็นเอตตาภาคะในฐานะที่เป็นผู้มีฤทธิ์มากนี่เหมือนคราวปสมสังคยนานะครับการรวบรวมคําสอนครั้งแรกเนี่ยพระสังคีติกาอาจารย์คืออาจารย์ผู้รวบรวมคําสอนในคราวนั้นเนี่ย ได้ให้เกียรติแก่พระอุบาดีให้เป็นผู้อธิบายพระวินัยบิดกให้เป็นผู้นะวิสัชนากล่าวแก้ก่าวตอบเกี่ยวกับเรื่องวินัยโดยเฉพาะทั้งๆ ท, ที่พระนนเถระก็เป็นผู้ที่ทรงจำพระวินัยแม้ทั้งหมดได้พระนนเนี่ยก็มีความชำนาญเป็นผู้ทรงจำวิพีพระวินัยเนี่ยทั้งหมดเลยทีเดียว แต่การที่พระสังคีติกาจารย์เถ้า อ, อาจารย์ที่รวบรวมคําสอนได้ยกให้เป็นหน้าที่ของพระอุบารีในการกราวอธิบายพระวินัยนั้นก็เพราะเป็นการให้เกียรติแก่พระอุบารีที่พระพุทธองค์ได้สถาปนาแต่งตั้งยกย่องให้ท่านเป็นผู้เลิศในทางพระวินยัย ทรงจำพระวินัยได้มากวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยได้ทั้งหมดพระสังคีติกาอาจารย์คืออาจารย์ผู้รวบรวมคาสอนเห็นว่าในเมื่อพระอุบาลีเถระได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์อย่างนี้การวิสัชนาการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของพระวินยัยก็ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระบารีเถระนี้ก็เช่นเดียวกันการที่ พระนุรุทธะได้กล่าวแก่พุทธบริษัทว่าพระโมคคราณะจะเป็นผู้ไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วจะนำข่าวมาแจ้งให้พุทธบริษัทได้ทราบว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อใดนั้นหาใช่พระอนุรุทธะจะไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะท่านให้เกียรติแก่พระโมคคาราณะเถระนะั่นเอง เหล่าพุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงพาการไปหาพระโมคคาณะเถรุกกระทำการอ้อนวอนขอให้ท่านเข้าเฝ้าพระบรมศัสดาแล้วถามข่าวเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระบรมศัสดา เมื่อพระมหาโมกรารนะได้ฟังคำบินโกลจากมหาชนทั้งหลายเหล่านี้แล้วในขณะที่มหาชนทั้งหลายเหล่านั้นกำลังมองท่านอยู่นั้นนั่นแหละพระเถระก็ได้ดำลงไปในมหาปัตถีภายในภูเขาสินีรุกแล้วไปปรากฏต่อหน้าพระพักของพระบรมศาสดาเมื่อปรากฏต่อหน้าพระพักแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดา แล้วกราบทูลว่าถ้าแต่พระบรมศาสดาเหล่ามหาชนประสงค์ที่จะเฝ้าพระองค์อยากทราบวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบอกแก่เขาทั้งหลายว่าจะเห็นเรากลับไปรตูเออกลับไปที่ประตูเมืองสังกัตตะในวันมหาปวารณา ก็คือวันออกทรรษานั่นเองฝ่ายพระบรมศาสดาเมื่อแสดงพระพิธรรมเจ็ดคำมภี์เสร็จเรียบร้อยแล้วทรงแสดงอาการเพื่อเสด็จกลับสู่มนุสโลกคือพระพุทธองค์เนี่ยแสดงอภิธรรมเจดคำมภี์ตลอดสามเดือนเพื่อโปรดแต่ทวยเทพโดยมีพุทธมารดาเป็นประธานสามเดือนผ่านพ้นไปเมื่อพระองค์ได้แสดงอภิธรรมเจ็ดคัเพี์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทรงแสดงอาการเพื่อที่จะบอกให้กับเทวดาเหล่านั้นได้รู้ว่าจะเสด็จกลับสู่มนุสโลท้าวสักกะเทวราชจึงตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรมาแล้วมีเทวะองค์การสั่งให้วิษณุวิษณุกรรมเทพรบุต น, น้เนรมิตบันไดเพื่อให้พระตถาคตเสด็จลงอันว่าวิษณุกรรมเทพตรนบุต น, นเป็นผู้ที่ มีฤทธิ์มากในการเนรมิตในการสร้างเพราะฉะนั้นวิศนุกรรมเทพบุตรเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนช่างคนบ้างโรงเรียนเทคนิคบ้างโดยความที่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากในการสร้างในการสร้างสถานที่ในการสร้างเรื่องราวต่างๆวิศนุกรรมเทพบุตรเมื่อได้รับเทวะบัญชามาแล้ว <Jub ilee> จึงนีรรมิตบันไดทองข้างหนึ่งบันไดเงินข้างหนึ่งแล้วจึงนีรรมิตบันไดแก้วมณีไว้ตรงกลางก็คือนีรรมิตบันไดเนี่ยสามบันไดบันไดทองกับบันไดเงินเนี่ยอยู่ข้างแล้วก็บันไดแก้วมณีเนี่ยอยู่ตรงกลางพระบรมศาสดาประทับยืนบนบันไดแก้วมณีแล้วทรงอธิษฐานว่าขอมหาชนทั้งหลายจงเห็นเรา อนิฐานด้วยอนุภาพของพระองค์ว่านอกจากมหาชนทั้งหลายจะเห็นเราแล้วขอให้มหาชนทั้งหลายจงเห็นอเวจีมหานรกก็คือให้เห็นสิวโลกด้วยให้เห็นนรกด้วยเมื่อทรงทราบว่าเรามหาชนเมื่อเห็นอเวจีมหานรกแล้วต่างพากันเกิดความสังเวชเกิดความสะดุดใจกลัว จึงทรงแสดงเทวโลกให้มหาชนเหล่านั้นได้เห็นในดาดับถัดมาก็เพื่อที่จะระงับความสลดใจกลัวของมหาชนทั้งหลายที่ได้เห็นเอเวจีมหานรกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความลำบากมีทุกขเวทนามมากนั่นเองก็เพื่อระงับความสลดใจกลัวความบาดกลัวของมหาชนเหล่านั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเทวโลกให้มหาชนเหล่านั้นได้ปรากฏ นี่แหละในวันมหาปรวรณาวันออกพรรษาจึงเป็นที่มาของการตักบาตรเทวูและก็เป็นที่มาของวงหารที่เรียกขานกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกก็คือเปิดโลกทั้งสานะเปิดนรกเปิดสวรรค์ให้มนุษย์ทั้งหลายได้เห็นจึงเป็นที่มาว่าวันออกพรรษานั้นเป็นวันตักบาตรเทวูด้วย เหมือนกับมหาชนทั้งหลายมารอรับเสด็จพระพุทธองค์ในวันออกพรรษาประกอบกับด้วยความที่พระพุทธองค์อธิษฐานให้เห็นนรกเห็สวรรค์จึงเป็นที่มาว่าวันตักบาทเทบูวันออกพรรษานั้นเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกคำว่าพระเจ้าในที่นี้ก็คือพระพุทธองค์นั่นเองเหล่ามหาชนทั้งหลายาที่ เรารับเสด็จนั้นก็ได้เห็นทั้งอเบจีมหานโลกด้วยและเทวโลกด้วยในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จลงมานั้นก็มีเท้ามหาพรหมเป็นผู้กั้นชักเท้าสักกะเทวราชทรงรับบาทของพระพุทธองค์เท้าสุยามาเทวราชทรงพัดให้นะครับถวายงานพัดโดยใช้พัดกวาสวีชะนี อันเป็นคิปพัดให้กับพระพุทธองค์ปัญจสิกขาเทพประบุติซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรีตลอดจนคัทพพระเทพระบุติซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการบรรเลงเพลงต่างกาันต่างพากาันบรรเลงพินสีเหลืองดังผลมะตูมให้เครือบเคลิมด้วยมุชนาเสียงประสานห้าสิบท่วน ก็คือมีเสียงที่ประสานเครือบคลืมฟังแล้วเร้าใจไพเราะเป็นการบรรเลงเพลงเพื่อนําขบวนเสด็จในเวลาที่พระพุทธองค์ประทับยืนบนผืนแผ่นดินมหาชนทั้งหลายต่างพากาันอธิษฐานว่าเราจะถวายบังคมพระพุทธองค์ก่อนเราจะถวายบังคมพระพุทธองค์ก่อน ก็คือต่างพากาันคิดว่าเมื่อเราเห็นพระธองค์นี่แหละเราจะถวายบังคมแก่พระพุทธองค์ก่อนใครใครมหาชนต่างพากันคิดอย่างนี้โดยคิดกันว่าเวลาที่พระพุทธองค์เยียบพระมหาปฏาปีนั่นแหละในเวลาพร้อมๆกับที่พระองค์ได้เหยียบมหาปฏาปีเราจะทําการถวายบังคมพระพุทธองค์ อย่าว่าแต่มหาชนทั้งหลายเลยแม้แต่อสิติมหาสาวก ค, คือมหาสาวกจํานวนแปสิบรูปที่รอเล่ารอเฝ้ารับเสด็จเนี่ยต่างก็มีความคิดนะว่าเราจะถวายบังคมพระพุทธองค์แต่ในบรรดามหาชนเหล่านั้นรวมทั้งอสิติมหาสาวกแปดสิบรูปทั้งหมดไม่มีใครได้ทันถวายบังคมพระผู้มีพภาคไม่ได้ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคก่อนในบรรดาชนเหล่านั้นมีแต่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเท่านั้นที่ทันได้ถวายบังคมพระพุทธองค์